الله ا ل ر ح م ن ا ل رحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين و ل ا ع د و ا ن إلا على الظالمين أصلي و أسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ب ح س ا ن إلى من الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و ا نتعامله إيه ن ا م أ ب ารที่เราได้มาเรียนรู้ความหมาอัลกุรอานนั้นนอกจากความรู้ถ้าอาจจะไม่มากก็อาจจะน้อยอ่ะนะนอกจากความรู้ที่เราได้มามันมีส่วนอะไรที่พวกเรา คิดว่ามันเป็นประโยชน์ในวันเกียมมาบ้างส่วนตัวผมนี่ผมคิดว่าความรู้อย่างที่พวกท่านมาได้ที่นี่ก็อาจจะมีที่อื่นได้เยอะอาจจะค้นหาในเน็ตก็ได้ แต่ที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่หาที่อื่นไม่ได้ประกอบด้วยการที่เราเดินทางกันมาคือมาที่นี่เนี่ก็คงไม่ได้มาตาักแอรกนันเรากผมนึกในใจว่าถ้าสมมติว่า ผมเนี่ยเป็นผู้รู้ในชนบทอย่างเงี้ยแล้วก็สอนมัสยิดเป็นกระต๊บเป็นเป็นมัสยิดไม้มเน ม, น, ม, น, ม, น, ม, น, มนเป็นปอนน้องเก่าๆอย่างเงี้ยจะมีจะมีคนมาฟังไหมผมว่ามีนะต้องมีเพราะจะต้องมีคนที่ คนที่เข้าอยากอยากเรียนรู้คือตัวความรู้ของคุรานะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเราผมมานั่งคิดว่าถ้าเราจะหาอะไรที่มันเป็นเหตุผลของเรื่องดีๆเนี่ยในวันเกียบว่านอกจากความรู้นะมีความรู้มันก็แน่นน คือการที่มาปรากฏตัวกันที่นี่โดยไม่มีสิ่งใดที่เรียกเราดึงดูดเราเนี่ยทั้งพื้นที่ทั้งอากาศทั้งผนังทุกส่วนนี่มันจะไม่เป็นพยานไม่มีส่วนใดเกี่ยวกับโลกดุนย์นี้ที่มันเป็นแรงดึงดูดให้เรามาที่นี่ บางทีก่อนละหมานี้ผมก็มานั่งนึกว่าการที่เราได้มาละมาที่นี่มารวมตัวกันที่นี่มันมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องน้อยนะไม่ใช่เรื่องเล็กนะบางทีก็รู้สึกอยากจะอยากจะพูดกับเพื้นที่ตรงนี้กับพรหม ที่เราแนบสีสามตอนสุยูดให้ยืนยันาจะเป็นสติพยานะอัลนบอกมาอินทดิสอับแผ่นดินเนี่ยทูัดดิสมันจะพูดบาฮะอะไรเกิดขึ้นบนแผ่นดินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นคนนี้มาขโมยคนนี้มาซินาคนนี้มามันพูดหมดนะ แล้วมันก็จะเป็นพยานด้วยคนนี้มันละมาดตรงนี้บนบนหินก้อนนี้บนยญ้าตรงนี้บนปซิทพื้นที่ตรงนี้แลสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราควรควรเอามา เอามาเป็นเรียกว่าเอามาเป็นการงานที่เราใช้ในการขอดุอิศวิญญาณต่อพระเจ้า سبحانه และว ع ا ل ى และอัลลอฮเราเราได้ใช้เวลาส่วนหนึ่งในชีวิตของเราในการที่จะแสวงหาความรู้จะได้เข้าใจพระดำรัสของพระองค์ท่าน เราอยากเข้าใจอรุรอยากเข้าใจอุไรในสิ่งที่มันดึงดูดสิ่งที่มันเรียกร้องสิ่งที่มันกระชากหัวใจของเราให้ทิ้งกิจกรรมอื่นๆซึ่งนะักเวลานในขณะนี้ก็ในในสังคมในโลกก็จะมีคนอื่นที่เข้าเลือกนะเลือกที่จะไป สังสรรค์กับมันไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าหาว่าเราได้รับความ توفيق ในเดียร์ละอัลลอฮฺ سبحانه وتعالى บันดาลใจให้พวกเราได้ประรานาที่จะเรียนรู้พระดำรัสของอุลลอฮฺ سبحانه وتعال ีเข้าใจอย่างอย่างทราบซึ้ง วัตถุประสงค์ของคำสั่งสอนของพระองค์เนี่ยพวกเราก็อย่ามองข้ามว่ามันเป็นเรื่องเล็กเราควรที่จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และถือว่าการที่เอมมามปรีบสุมาห์เรามันทำใจเราเนี่ย มันเป็นแนวมากที่ยิงย่งใหญ่คนบางคนรู้สึกว่าถูกบรรดางใจให้ซื้อหวยหน้าตลาดนัดตรงนั้นจากแม่ค้าคนนี้จนถูกหวยแลวเขาถือว่าไอ้โอกาสนั้นน่ะโค้ชกดีเลยะของเขาที่ที่พลิกชีวิตของเขาให้เป็นคนร่ำรวย เพาโอกาสที่เขาออกจากตลาดแล้วเขามาซื้อซื้อหยจังเนะะี่ยเขาแล้วเขาถือเลยนะโอ้โหบางทีก็ที่ที่ไปซื้อหวนี่ก็อาจจะไปกราบไหว้ทั้งชีวิตที่ที่ทำให้เขา ร, ร่ํารวยออาจจะไปเส้นไหว้ทั้งทั้งชีวิตก็ได้คนเขามองมองความยิ่งใในะชีวิตของเขา คือเรื่องโอกาสองค์ประกอบมันมีความเมีขนาด น, นั้นเราก็ควรมองว่าโอกาสที่อลัลลอฮ์สุฮาห์โนฮานะได้จัดเตรียงทุกอย่างในให้เราได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้พระดำรัสของพระองค์เนี่ยว่ามันเป็นแนวมากที่ยิ่งใหญ่นะไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันเป็นความรู้สึกที่ผมนึกขึ้นมา ม่อสัครู่นี้ก็เลยอยากจะมาบอกกับทมและกับพี่น้องว่นี่เนี่ยว่าอันหนึ่งที่เราควรขอบคุณองค์สปาเราขอบคุณองคเราเราจะได้รับการเพิ่มคุณและอินชะกรตุลอาซีดั้นนุพวกเจ้าขอบคุณและฉันจะเพิ่มคูนพวกเจ้าเราขอเป็นพยานว่าเรา ขอบคุณองค์พระองค์เป็นดันใจให้พวกเราได้ปรารถนาดีต่อกุณอานของพระองค์องค์เราขอให้พระองค์อขอให้พระองค์ได้ยินยาตเราไม่ได้ไม่ได้เอาคุณอาณยนย้นย้นไปอยู่เบื้องหลังพวกเราไม่ได้หันหลังให้พระดํารัตของพระองค์รพราเราได้ ได้พยายามรองสุรู้เราพยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ความหมายของพระดำรัสของพระองค์เช่นเดียวกันในใช่วงชีวิตของเราบังช่วงนี้ ยุคกับุรานยุคกับคุรานได้อัลลอ์ได้โปรดให้คุรานนั้นยุคกับเราในคุโบ่ยุคกับเราในคุโบ่เป็นเป็นผู้ปกป้องเราในวันเกมาดิษฐ์ในสุรเดลัมเฟลอายะที่สบีมีข้อสังเกต ว่าลัษณะนวตาอาลเด้ขยายนเนื้อหาที่พระองค์กำลังสั่งสอนสังคมมุสลิมเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องทรับเฉลยเรื่องสงครามเรื่องหนีสงครามมันกำลังเป็น คำสั่งสอนที่ยิ่งใหญ่ที่เกี่ยวกับภาคภาคสังคมขนาดใหญ่แป๊บนึงนะอัลลออัลลอก็เข้าเข้ามาที่มุมค่อนข้างแคบมากที่ไม่ใช่ไม่ใช่ขนาดของภาค ภาคใหญ่ของสังคมของโลกที่กำลังพูดถึงเรื่องสงครามบรรดาลซึ่งเป็นสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างความเชื่อความจริงความศรัทธากับการปฏิเสธศรัทธาไว้หักมุมไปอยู่ในหัวใจของพวกเราแล้วอัลลอฮฺะหูฮุลูเบย์นลมรีว์และกับอันห์อุลัยดูษารู คนที่เล่นกล้องหรือสร้างกล้องคนที่เล่นกล้องเป็นนี่จะรู้ความสามารถของกล้องเนี่ยถ้ามันซูมซูมใหญ่มากแล้วก็แล้วก็โฟกัสโฟกัสที่ภาพจ้องภาพเล็กแล้วก็สามารถซูมภาพใหญ่ถ้ากล้องที่มันมีความสามารถแบบนั้นเนี่ยนั่นแนหะคือกล้องที่สุดยอดแหล แล้วกล้องส่วนมากในเรื่องซูมนี่คือจุดแข็งของมันเรื่องเขาเรียกอะไรนะซูมเล็กซูมใหญ่ปะยิ่งกล้องสามารถซูมเล็กแล้วก็ซูมใหญ่ในเล่นเดียวนะโอ้อะไรเล่นขนาดมันอะไรขนาดนะส่วนมากนี่เลนที่เขาสั่งนี่ก็คือเลนเฉพาะเลนเฉพาะดังนั้นกล้องนี่จะจะให้เปลี่ยนมุมของมันนะก็จะ เล่นอีกแต่การที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าของเรานี่จากภาพใหญ่ที่กำลังอธิบายให้ผู้ศรัทธาได้เห็นได้เห็นภาพใหญ่ในการประทับระหว่างผู้ศรัทธาและกคนที่ปฏิเสธศรัทธาในเนื้อเรื่องของสงครามบ้านเนี่ย แล้วก็อธิบายรายละเอียดที่มันกำลังเกิดขึ้นนะนะแล้วก็อยู่ดีเข้าไิอยู่ในความลึกของหัวใจของเรา وعلام أن الله يحول بين المرء وقلبه เจาะไปถึงหัวใจของเราเลยถ้าเราอ่านอุษอ่านด้วยความทราบซึ้งเเราก็จะรู้สึกว่า ผูที่กําลังพูดกับเราเนี่ยเป็นเป็นพระเจ้าจริงเป็นพระเจ้าที่เห็นหมดที่สามารถใช้ภาพอย่างกระจา่างแม้กระทั่งมุมใหญ่ที่เรามองไม่เห็นมุมที่มาจะข้างบนนะ่ยที่เราไม่สามารถาที่เคยที่บายนะมุมจาข้างบนนะ การเคลื่อนของของกองทัพน่ะที่คยอธิบายาแต่มุมใหญ่ที่เราไม่สามารถเห็นเราสมองเราอาจารย์ใช้เห็นและมุมของหัวใจของเราที่เราไม่เห็นว่าละมูอนนมมันอัลลอฮ์เพงรู้เธอด้วยแท้จริงอัลลอฮ์นันน้นจะทรงตั้นระหวา่างบุคคลกับหัวใจของเขา ลาสุดนี่ได้ยินข่าวที่ประเทศอังกฤษคนเศรษฐีคนหนึ่งไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในศาสนาอะไรเลยไม่เชื่อในไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในศาสนาอะไรเลยคนอังกฤษในส่วนมากนะชื่อจอชชิโรบินชื่ออะไรนี่ชื่อคริสเตนแต่แต่เขาก็ไม่เชื่อเขาไม่ได้เชื่อไห ไม่ได้เชื่อในใบเบิ้ไม่ได้เชื่อในพระเจา้า <c oughs> แล้วก็มีผู้ลีภัยที่ประเทศซูมาเลียที่อังกฤษเนี่ยเป็นชาวซูมาเลียงองเกินก็มีคนไปรับรู้ว่าผู้ลีภัยคนนี้มีครอบครัวเขาคือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงคนอายุอายุ จะมากแล้วว่าห้าสิบกว่าแล้วไม่มียาไม่มีค่ายาไม่มีอะไรไม่มีแล้วคนก็ไปไปปจะชสัมพันธ์เรื่องราวขออลิภัยผูย้หญิงคนเนี้ชาวซูมาเลียเป็นมุสลิมานะออกรายการวิทยุบังเอิญคนเศรษฐีคนเนี้ได้ได้ยิน เาชาวโซมาลีเขารูเรโลโซมาลีเป็นมุสลิมแล้วก็มีเยอะนั้ น, นในประเทศในประเทศฝรนนั่งในที่เขาไม่ชอบพวกผู้ลีภ้ภัยไม่ชอบมุสลิมเราไปเราไปแย่งพื้นที่ของประเทศเขาเราไปรบกวนเขาเราไประคายเครื่องเขาเขาก็อยากจะแปลงผู้หญิงมุสลิมมาคนนี้เขาก็จุดที่อยู่ คนดีบัสัมปันเนี่ยก็บว่านี่ใครอยากจะบริจาคก็บริจาคบ้านที่อยู่ก็จดที่อยู่แล้วก็ให้ลูกน้องเขาเตรียมอาหารเตรียมเสตตังเยอะแลก็ไปที่อยู่เนี่ยไปให้เขาอยากจะแก้ไีมุสลิมแล้วถ้าเขาถามนะถ้าเขาถามว่าใครออกมาให้เนี่ยบอกว่าซาตาน เสต่อนเสต่อนเอามว้ยากจะแก้งกันแก้งลูกน้องเขาก็เลยเตรียมของแล้วก็ไปหาผู้หญิงขประตูยากหยผู้หญิงนี่ก็ดีใจมากเลยก็ขอบคุณยยขอบคุณผู้หญิงที่เป็นลูกน้องคนรวยนี่กวไม่อยากรู้หรอว่าใคร ใครที่เอามาให้อะบอกว่ามีอยากรู้หรอกถ้าพระเจ้าจะช่วยใครจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งชยตอนน่ะจะได้บรร ล, ลุพระประสงค์ของพระเจ้าคำพูดของกุศลมากคนเนี้ยทำให้สิทธิคนนั้นนารับอิสระ وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه الله แจะขัดขวางไม่ได้ว่าเราเข้าใจว่าขัดขวางว่าเราจะทําความดีแล้วอัลลอฮ์จะขวางไม่ให้เราทําความดีและในมุมกลับด้วยเราจะทําความชั่วแล้วอัลลอฮ์จะขวางไม่ و, ให้เราทําความชั่วให้เราได้ทําความดีทลาวลอสุสโดยที่ไม่มีคือเรียกว่าอะไรฮิดายะโดยเสีหา โดยเหตุผลก็ได้อาจจะไม่มีอาจจะไม่มีเหตุผลที่อัลลอฮฺจะให้ด้ยากับกับเราก็ได้อาจจะไม่มีเหตุผลที่จะให้เราได้ทํำอิบาดาเราได้ทําความดีนะสะดวกโดยเสเน่ห์อย่าพลุวางแผ่นว่าย่างดีจะขบมยจะฮะเหมือนสารภคนนั้นะวางแผนว่าย่างดีขึ้นขโมยป่นบ้าป่น คือถ้าโจรป้นนี่ก็คือสุดสนะุแล้วไงสุดสุดแล้วขึ้นจะไปปน้นเจ้าของบ้านนี่ก็ลังละมัดกียมุลเล ล, ลลิล็งลามาี่อันนี้ิี่นันไม่ถึงเวลาสำหรัรบผูบบ้ศรัทธาที่จะนอบน้อมต่อพระดำรัตของรอง หัวใจเขาเนี่ยมีแผนป้นบ้านอย่างเดียวคนเราในบางทีนี่อยากจะฟังคุรานแล้วก็อยากจะสมั ง, งัดกับคุรนโอ้โต้องเตรียมตัวนะต้องเตรียมตัวต้องเะามาละหมัดเราเวียดรมักต้องแต่งตัวให้ดีต้องคือต้อ ง, ต, อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องพร้อมอ่ะบางทีถ้ามีอะไรมาสร้างความหมุดงินเนี่ยเราก็ไม่หูช้ชัวเลยก็เป็นไปได้ก็ เตรียมใจที่จะบ้นบ้านนะไม่ได้เตรียมใจที่จะฟังกุรอานนะแต่ Allah ประสงค์โดยสเสน่ห์โดยที่เขาไม่เขาเป็นโจรบ้นนะแต่ a ล l a h ประสงค์อันนี้เพื่อแสดงเดชานุภาพของเราต่อมนุษย์ ไม่มีไม่มีใครจะบังคับแม้กระทั่งแม้กระทั่งเหตุผลที่เรามองว่ามันควรจะเป็นเหตุผลน่ะนะหอคนนี้เขาอาจจะมีความที่อาจจะไม่เคยมีความดีเลยก็ได้อาจจะเป็นคนแบบรวเล็วสุดๆเล็วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ตรัประสงค์ที่จะให้เขารับใิดได้เนเดชนุฮ์อัลลัมอนละนี่เป็น เป็นพระอำนาจเบ็ดเสร็จของอัลลอฮฺอะฮานะฮอนาเป็นเสร็จของอัลลฮะไม่ควรที่จะเกิดความแข่งใจหรือข้อสงสัยใดๆที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพพวกเราะอัลลอฮว่อันนาหูไรตัวชารและแท้จริงอย่างพระองค์นั้นพวกเจ้าจะถูกนากลับไปชุมนุ คนเราคนพี่น้ส่วนมากสนมากเราเกิดมาเป็นมุสลิมนะมุสลิมโดยกำเนิดเนี่ยไม่คยรู้คุณค่าของ a ะเกิดมาเป็นมุสลิมพแม่เป็นมุสลิมย่าตายายเป็นมุสลิมเหมือน นั่งร้านอาหารแค่นึกจะกินอะไรของกินกันมาส่วนมากนะนอกจากว่ามุสลิมที่ได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้และได้ได้สัมผัสกับคุณค่าของฮิดายะเนี่ยด้วยการเรียนรู้ น, นั่นะเาล่านั้นก็จะเห็นคุณค่าของของ การให้ทางนำแต่คนที่เกิดในกับสิ่งแวดล้อมที่มันมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเลยว่าเขาจะรับผิดใดอะไมีมีเลยแต่ วันดีคืนดีชีวิตเขาในต้องพบพบกับทางดับคนเหล่านี้เขาจะรู้คุณค่าของฮิดายะมากกว่าคนอสหาบาจึงเป็นเป็นคนที่รู้คุณค่าของฮิดายะเพราะสหายบาได้เกิดในสังคมที่ไม่มีโอกาส ที่จะเป็นเชื้อชาติหรือเป็นประชาชาติที่มีความหวังอะไรเลยชีริกชีริกี่เต็มไม่หมดเลยสิ่งอบายมุกเต็มไปหมดเลยแต่การที่ a l ล a ได้คัดเลือกเขาเี่จะได้เป็นคนที่ปกป้องกุตรานมาเผยแพรุ่ตราน เขาจึงรู้ว่านี่เป็นการคัดเลือกนี่เป็นการจบจงจรงสาว่าเธจึงรู้คุณค่าขณะที่ผมบอกกับพี่น้องช่วงแร ก, ก่อนเริ่มบรรยายบางทีเราเราต้องพยายามทบทวนคุณค่าของ สิ่งดีๆที่เอามาให้มามันยิ่งทำให้เราได้รู้ได้เห็นคุณค่าของมันมีทํทำให้เรายิ่งขอบคุณมากแต่ถ้าเราได้ได้เพิกเฉยหรือไม่สนใจหรือไม่เห็นคุณค่าคนคนละหมาทุกวันทุกวันละหมาทุกวันอ่านคุรอานแล้วไม่เห็นคุณค่า อุลมาส่วนมากอบอกว่าเนี่ยน่ากลัวคนที่ละหมาดคนที่ศรัทธาแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเขาทำทำเพราะเป็นเป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีเป็นจารีที่ปูย่ย่าตายายเนี่ยเขาป้อนมรดกมาเขาไม่รู้คุณค่า เขามาแล้วไม่รู้ว่าละหมานี่มันคืออะไรคุณค่าของละหมานี่มันคืออะไรแล้วถ้าเรารู้คุณค่าของการงานเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจังหวะที่เราจะพลาดแล้วก็ถูกกระชากหาก่หางหงออกจากความดีแล้วก็โอกาสทางความดีนั้นน่ะถือว่าเป็นการลงโทษอย่างมหั แฉะนั้นเราจะพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากทุกสาเหตุทุกปัจจัยที่ทําให้เราเนี่ยถูกลงโทษละหมาดระวังอยถูกลงโทษทิ้งละหมาดอ่านกุรานระวังถูกลงโทษทิ้งการอ่านกุรานทาความดีกับพ่อแม่ระวังถูกลงโทษอัคตันยุต่อพ่อแม่ บริจากระวังถูกลงโทษเป็นคนตรณีที่เหนียวไม่บริจาคเป็นคนที่ชอบเป็นคนใจบุญชอบทำความดีกับคนอื่นระวังคือถ้าเราไม่ไม่ขอบคุณอัลลอ์ก็ไม่รู้คุณค่ะซึ่งความดีที่อัลลอ์ให้เราได้มีโอกาสทำนั้น มันมีเงื่อนไขที่คนส่วนมากเนี่ยมองไม่เห็นเงื่อนไขของความดีนั่นคือการมีหัวใจร่วมในการรักษาความดีนั่นคนเราส่วนมากเวลาทำความดีจะมองว่าตัวเองเนี่ยทความดี บางทีปัจจัยที่เราได้ทำความดีมันอาจจะม า, มาจากาจตัวอื่นด้วยผู้นำบริหารจัดการสังคมอย่างดีผู้นำอาจจะมองว่าเนี่ยความเก่งความล่าหานความสุดยอดฝีมือของตัวเองที่บริหาร แต่ไม่เห็นคุณค่าของสมาชิกในสังคมที่เขาให้ความร่วมมือด้วยปัจจัยอื่นๆนะเช่นร่วมใจกันในการไม่ทําความชั่วในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีความบริสุทธิ์มือสะอาดหัวใจสะอาดการที่สังคมให้ความร่วมมือเนี่ย อาจจะเป็นปัจจัยนะที่ทําให้ผู้นำประสบความสําเร็จในการบริหารสังคมไดทางกลับเช่นเดียวกันสังคมโอ้ล่าพระบุตรล่ะดูสเราทําความดีเราละหมาดเราที่นี่เราให้สมาชิกในองค์กรในชุมชนเนี่ย รู้สิเรามีที่เรามาเราสามารถมาทำความดีเรอะไรเนี่ยและและไม่นึกถึงบทบาทของผู้นําคนที่เขาบุกเบิกคนที่เขาทาให้เขาเนี่ยเกิดมาอยู่ในพื้นที่ที่สามารถทําความดีได้ไม่นึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วบางทีก็ อาจจะเนรคุณต่อคนบุกเบิกโดยเฉพาะปู่ย่าตายายคนที่มีบุญคุณในการที่จะให้เราอยู่ในพื้นที่ที่มันมีโอกาสทำความดีไม่นึกว่าเรื่องเล็กแบบนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้ทำความดีในทุกวันนี้พอลืมเรื่องนี้แล้วเนี่ย แลวไม่ขอบคุณต่อ Allah Allah ก็จะลงโทษหมายรวมว่า Allah สมฐานวาตาละให้จากภาพเ น, นี่ยกะก่อนนั้นเนี่ยให้เราได้เห็นเดชานุภาพของนองสมฐานนาวาตาที่มองภาพใหญ่ของสังคมแล้วก็มองภาพเล็กของหัวใจของเราแล้วเ ok รอยากจะบอกกับเราว่าระวังภาพ ใหญ่ยยกับภาพเล็กเนี่ยมันมีข้อผูกพันอย่ายได้แยกห่างออกไปทุกส่วนมันจะมีความรับผิดชอบที่จะให้ภาพรวมเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีทุกคนจึงต้องเข้าไปตรวจสอบหัวใจของเขาแล้วก็ทำตัว ทำหน้าที่ให้ถูกต้องที่สุดให้ดีที่สุดและพยายามเห็นคุณค่าของผลงานของคนอื่นปราถนาดีต่อความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของคนอื่นที่จะทำให้ชิ้นงานดีๆต่างๆเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์มิเะ่นนั้นคนหนึ่งพลาด เจ้าเนี่จะเข้าใจนะคนหนึ่งพลาดเอาตัวใครตัวมันสิไม่วัตลกูฟิกนัตัลาตูซีบันนัลลาดีนอัลละมมิงกุมขอ้อศอกพวกเจ้าจงระวังการลงโทษซึ่งมันจะไม่ประสบแกบ่บรรดาผู้อาธรรมในหมู่พวกเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้น mm hmm. มันเป็นข้อสอ เป็นคนหนึ่งทาความชั่วคนอื่นไม่ได้ทาแต่ความชั่วของคนคนหนึ่งอาจจะเป็นผลที่ทให้คนอื่นเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยอับดุลลอฮอบุซบยรุูบียรอับดุลวามได้ไรยนน่อับดุลลอฮอบุซบียรไม่น่าจะถานาอับดุลลอฮอบุซบยรเกิดขึ้น ในปีที่หนึ่งฮิจรสกในสงครามบัรอับดุลลาะว์ดีซูเวตมีอายุสองขวแต่ท่านพูดแล้วก็มีแรงงานจากอซุเบตซึ่งเป็นบิดาของกันซึ่งเป็นไปได้ว่าเป็นอาวก็เป็นซอฮาบะจีได้ปรากฏตัวในสงครามบัตอายานี้ถูกประทานลงมาในสงครามบัตอัลลอฮ์พูดกับซอฮาบะว่าถ้าูฟิดนะกันจมระวังฟิดนะระวังบทุอ การลงโทษไม่เจาะจงเฉพาะคนคือเฉพาะคนที่ก็ททำบาป ท, ทำผิดแต่มันจะเป็นการลงโทษโดยรวมซุเบอรว์บกว่าอาญาณีถูกประทานลงมาช่วงสงครามบัตซึ่งสฮาบะได้รับชัยชนะอัลลอฮให้เกียรต ทับทินอะอ้ยัตัเนี่ยมันจะอธิบายยังไงโน้ตอนาีเสียชีวิตแล้วแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างโซฮาบะและความขัดแย้งนี่ก็เกิดความผิดพลาดในการบริหารแก้ไขจนเกิดสงครามราะห ว, ว่างโซฮาบะดูไปรู้ว่าไอ้ยานี่เนี่ย เราไม่ได้คาดคิดว่าฝิตน่าเนี่ยที่เราจะถูกทดสอบเพราะความผิดของบางคนบางส่วนของเรานี่นะมันก็จะกลายเป็นการลงโทษกับพวกเราทั้งหม ด, ดเรารเราพยายามในส้ในสูงคข้ามบัตรพี่ีสอมุสลิสกราระแต่ในบีดี สี่สิบที่กิสงครามสงคํามอัลจมสงคํามอูดที่มีระหว่งางสหาบาสสงค้ามที่ใหญ่มากสหาบาเสียชีวิตอสหาบาสหุโสด้วยสหาบาจยังรู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของผลที่อัลลอฮเตือนเขาโน่เตือน เตือนช่วงไหนอะช่วงที่เขากำลังกาลังรับเกียรจากโลสุานวาระลยเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามปกป้องศาสนานั่นแหะนวยรวมว่าในขณะที่เรากำลังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบทุกเรื่องเราอย่าคิดว่า ข้อผิดพลาดอะไรเล็กน้อยที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเราหรือกับคนอื่นเนี่ยนะมันจะไม่ส่งผลต่อต่อชีวิตของของเราและก็คนรอบข้างเราเรื่องนี้น่ากลัวมากและเรื่องนี้ที่จะทำให้สังคมจะต้องพยายามให้ความสำคัญในเรื่อง ในเรื่องความเป็น Jama และ Shuro Jama คือความเป็นกลุ่มที่มีระบอบการปรึกษาหรือมีการพูดคุยมีการตักเตือนตัวโซวิลฮับหรือตัวโซวิซับระบอบสังคมมุสลิมที่จะต้องขาดไม่ได้ความเป็น Jama มีการตักเตือนมีการนนซีหาซึ่งกันและกันสําคัญมาก มันจะทำให้โอกาสที่จะมีช่องโหวเนี่ยที่จะมีอะไรที่มันแทรกเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะเป็นผลตอบภาพรวมของสังคมสวามีบางท่านบอกว่านี่เป็ น, านการตักเตือนตั้งแต่สองคำ้ามบตลอเรื่องฟิดนา้นาผิดหน้าคืออะไร ทุกอย่างอททดสอบทุกอย่างแล้วพวกเจ้าจงระวังการลงโทษฟิตรหน้าตรงนี้นเนี่ยอัลลอฮ์จะบวชลงโทษเนี่ยแล้วเราจะแปลฟิตรหน้าไปว่าบททดสอบเพราะการที่อลัลลอฮ์ให้เราได้พบกับบททดสอบมันก็อาจจะเป็นการลงโทษเหมือน كان بندكويم مسلم رينكم جوريج ج ر ي ج العابد ج ر ي ج ذ ا جورج جورج جورج كان بنسميه عرب ك و ر ج ر ي ج د ا ر ج ج ر ي ج ما ن ك و ن إ ي د ن ب ي ا و ر ي ج ر ي ج อัลาบิดเป็นคนที่ขยัขยข ان ان. ท ب ب นทำให้บารด้ามขยันทำให้บาร์ด้จนไปสร้างเข้าไปในป่าแล้วก็ไปสร้างบ้านเล็กๆของตัวเองทําห้บาร์ด้ในบ้ารนั้นไม่ยุ่งกับใครเลยมี่วันหนึ่งแม่ไปเรียกจูไรต์ูไรต์กำลังละมา จ, จางึงกำลังละมา ไรจ์ไหนเล่ามาหนูกูจะล่มาล่มาแล้วจะแ้วจะไปหาแม่เนี่ยจะล่ามาแล้วแม่ไปหาแม่ดีแม่เรียกอีกรอบนึงไรจ์กลมาจะไปหาแม่ดสุดท้ายยไรจ์ตัดสินใจทาอะไรลมาต่อแม่ก็เลยกร ครูดล um uh ่าฮ um ุมมะลาตุมิทุ حتى يرى و ج ัลมูมิ س ا ت ครูดครูดมากเลอ่ยเรียกลูกแล้วไม่ออกมามาต้องรับแม่ได้ไงโอ้ Allah อย่าให้เขาตายจนกระทั่งให้เขาได้เห็นให้ได้ค่อยได้เห็นในสมบัติได้เจอพวกโสเพนีใครมีลูก ตอนกรธนี่อมหินซะเอาสัมฤีเอาภาพอุดปากซะเดินไปขอดูอาอะไรนี่อันเราตอบรับดูนะถ้าอันเราตอบรับแล้วนะคนในเมืองดูนะคนในเมืองไอ้พวกเจ้าสำราญนะ่ะกำลังกินเล่ากันอยู่ แล้วก็จะพนันกันเฮ้ยพนันกูไหมดูกูจะทำไหมไอ้จุไรเนี่ยให้มันหลงผูง้หญิงเออเป็นไ ป, นปนไม่ได้แกทําได้เหรอเป็นไปไม่ ไ, มได้ดูกูจะทําไปดูมันก็ไปหาโสเภณีคนนึงเพราะว่าเธอเนี่ยไปทําซีนากับคนนี้จนท้องให้ท้องก่อนนะ แล้วก็ไปฟ้องว่ายูไรนี่ยสีนะยูไรดังอ่ะในในเมืองนี่ดังเป็นคนอาบิดเป็นคนเป็นเป็นนักนักบวชอ่ะนักบวชในในสมัยก่อนคนแบบว่าไปร้องเรียนวัวคลองวัวคลองก็หาชาวเมืองก็ ไปเห้กันเลยนี่ยไปจะไปจัดการนักบวชทีไปแอบบทำศีนากับโซเภนีหญิงคนนี้ก็คลอดมาแล้วเนี่ยลูกอุ้มอุ้มแบ่บาะผู้ครองก็ถามว่านี่ลูกใครโซเภนีก็บอกว่าลู ก, ก, ก, ลกจูไรเนี่ยลูกจูไร แต่จุรรยินี่เห็นแล้วพวกโสภานีดูอาของมารดาเขานี่เจอแล้บททดสอบนีเป็นบททดสอบปะบททดสอบยุรรยินได้ผลละบุญแน่นอนแต่ก็ถือว่าเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งเนื่องจากว่ายูโรยเนี่ยพลาดที่พิจารณาผิดว่าการละหมาดอิบาดาหนี่มันเป็นสุนัขแต่การที่จะออกไปต้อนรับแม่เขาเนี่ยวะยิบพลาดตรง ทำให้แม่กรธเห็นแล้วหน้าตาของพวกโสเภณีตามที่มารดาไในในขอตัวแล้วโสเภณีชีว่านี่นี่คนนี้ทําสินะจนเขาก็เลยตัดสินว่าต้องเผาทั้งเป็นเลยลงโทษว่าขอละหมาดสักสองหากาศแลละหมาดเสร็จแล้วแล้วก็ เอานิ้วเนี่ไปจี๊เด็กมันอบูกะพ่อมึงอะไรงั้นเด็กในที่แม่บอกเนี่ยก็พูดบีฟูลนันอร่อยคนที่เลี้ยงแพ้คนนั้นนะที่ผู้หญิงไปทําซินนะเขพ่อช่นนี่คือคนคนนั้นอันนี้เป็นมรจิจารอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นกรมาที่เกิดขึ้นในบรรดาที่แม่บอกที่พูดขณะเด็กนะ หนึ стати, Savior, mà, ่งในนั primero, ้นคือท่านนบีอ้ามิสับดมารีละก็ละก็โฮเลมจุไรจ์เด็กคงจุไรจ์เนี่ยที่เป็นพยานให้จุไรจ์วุ่นวายวัดตะกูฟิตรนันบททดสอบนี้มันอาจจะเป็นการลงโทษคนเราเข้าใจว่าการลงโทษนี่คือลงบอลนี่จะไมได้มาเจอกัที่มาคําว่าบอลนี่ในในนิยามของชาวบ้านชาวบ้านนะบอลนี่ก็คืออะไร คือฟ้าผ่าอย่างเงี้ยไปไม่น้ำท่วมแล้วต้องท่วมแบบแบบีวีแปบบแบบสี่ถึงจะเรียกว่าแต่จะน้ำท่วมแบบทแบบ่วมวันหนึ่งแล้วก็แล้วก็หายใบเนี่ยเราจะมองว่าเร า, เราลงบรอนี่ก็ต้องแบบว่าอะไรที่มันแบบาสาหัสหนักหน่อยนะ เราเจอเรื่อันนะี้บอสร้างมัสยิดนะตูละหมาดสองร้อยคนนะแต่มีคนละหมาดมีแต่จิงจกมาขีดในมัสยิดนะเขาไม่มอง ว, ว่านี่เป็นบลอ ท, ทั้งๆดีนี่คือบลอสาหัสเลยในชุมชนมีมัสยิดแล้วก็ไม่ละหมาดกันในมัสยิดเนะี่ยบลออัลลอฮ์ลงโทษให้คนในชุมชน จัดงานสู่เรากันทั้งทีบริจาคกันทั้งทีสร้างมัสยิดกันทั้งทีเพื่อมัสยิดเนี่ยมาเป็นพยานในวันเกียมะ์าโอ้อัลลอฮ์พวกนี้มันสร้างฉันนี่น่แล้วมันไม่มาละหมาดในบ้านของพระองค์มันจะมีสาหัสกว่นี้หมารือจะเข้าใจว่าออ่ันน่ะทำหมากริสกีก็ดีสุขภาพก็ดีอะไรก็ดีนี่อันนี้อัลลอ์ยังไม่ลงบาลอ แต่ตัวเองไม่ละหมาดตัวเองไม่อ่านกูรอ่านตัวเองไม่ไม่เอาไหนเรื่องศาสนาอะไรเยอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บลัลอคนจำนวนไม่น้อยแต่ที่เข้าใจกันอย่างนั้นประเทศประเทศที่มีน้ำมันคนส่วนมากเนี่ย ขอจะบอกว่ลลอฮ์อัลลอฮให้ที่ที่มีน้ำมันล้ำกําลังนู้นเาดูซี่อลอให้แล้วก็แลวกครเขามีรายได้นะเขยังเขามาเมืองไทยนะถึงจะเที่ยวถึงจะอะไรเนี่ยแต่ก็ยังทำบุญยังสร้างมัสยิดกันด้วยนะ หารู้ไหมมาเที่ยวมืองไทยในี่ใช้งบสามล้านบาทแล้วก็ควักสองแสนบอกว่าอยากจะสร้างมอสินคือไปเที่ยวมาแล้วนี่สามล้านบาทนี่ทั้งเขาทั้งพรกพวกใช้จ่ายไปแล้วนี่ไม่รู้กี่ล้านนะนะกูอยากจะสร้างมอสินนีมอสินสักสองแสนสามแสนนี่มั้ยเยอะน้แบบนี้ อัลหค่าตัวนี่ก็สองแสนแผมบอกว่ามีวมันสงแสนมันทำไม่สองแสนนี่มันทำไม่ได้อะเขาบอกว่าได้นี่เน่ยที่ปากีเนี่ยผมเคยไปสร้างแล้วแล้วก็เอาเอารูปมาให้ผมดูเขาสร้างจริงนะ เขาสร้างจริงนะห้าเมตรคูณหเมตร5ห้าเมตรคูณหกเมตรอ่รรนะแล้วก็มีโดมเล็กๆนี่นี่นมันสิเอาแบบนี้อ่ะไม่สบายแต่แบบนี้กูไม่ทำอ่ะแบบนี้บ้านบ้านเราก็ไม่ได้กันมันสิไม <c oughs> ่มีใครเขาทำกันหรอกแบบนี้แบบนี้ที่นี่ก็ทำกันได้แต่สองแสนน่ะโอ้ที่นี่ กรใช้การใครในสองแสนในคักสองแสนที่สั่งมาถ้าอย่างนี้สเราก็จะเข้าใจโอ้ให้ประทินน้มันทีอาจจะไม่ใช่ริสกีกว้างขวางนี่อาจจะไม่ใช่เนี้อมากก็ได้อาจจะเป็นบอลอว์ันเบลูกุนนี่วันเบลูกุนบิษรวลรฟิตนะ เราจะบารอพวกเจ้าคือลงโทษพวกเจ้าด้วยอะไรอ่ะชรสิ่งเวลวร้ายแล้วก็ให้สิ่งดีงามถูกลงโทษ ด, ด้วยสิ่งดีงามก็มาให้เนี่ยมาไปตังซื้อรถเบนซ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ใหม่โอ้โหลงเลยฮานาใหม่ใหม่บุญบุๆบไป น, น่ไ ป, ไ ป, ไปอวดกับเพื่อนเน่จน พาดเวลาละมาสองสามเวลาไปแล้วใช้เวลากับกาขับรถขับกระซนี่ไปอวดเพื่อนนี่บลล้อไมเนี่ยนี่บลล้อลุทษ่อักูฟิฺนะทัลบะรุยีนั้นั้บะีนั้ั้บะรีนั้นั้นั้นความผิดที่เราทำเนี่ยอย่าคิดว่ามันจะเป็นความผิดที่เรา จะรับผิดชอบเพียงคนเดียวเอาไอ้อัลลอฮซุหฮานะวะดะอาลได้บอกว่าวะลาทซิรวาซิรัตุวุซรุอัคหรอไม่มีใครที่จะรับโทษของคนอื่นเลยไม่มีใครจะถูกลงโทษด้วยบาปของคนอื่นใช่หมายถึงในวันเกียม์มะในการที่จะรับผิดชอบบาป ท, ที่ตัวเองได้ทำในวันเกียมะเวลาทซิร وزر وزر أخرى. النينيا بن آية هيالا ط و ب توا شاول كريس. التي تقول أننا لن نُعاقب في يوم الجنة. لن نُعاقب في يوم الجنة. هذا يجب أن ينزل في جسد يسوع. و ي ُ ع ถ ق ก ตึงวนเวกันเข็มแล้วก็ต้องเจ็บปวดแล้วเราจะต้องศรัทธานในความเจ็บปวดของพระเยซูเพื่อถ่ายทษของท่านนบีอาดัมที่กินจากต้นไม้แล้วก็ความผิดนี่มันถูกถ่ายทอดมาเป็นมรดกของลูกหลานนบีอัลลอฮฺ เราจะไม่รับผิดชอบเราจะไม่รับผิดชอบถ้าความผิดของท่านในเรองอาดัมเนื้อไม่ยกโทษให้ไปแล้วแล้วทำไมต้องมาร่างต้องมาโอ้ซีนารีโอใหญ่ยาวเฟ้ยเลยมันจะได้มันไม่เกิด้ า, า ม, มีไม่มีใครจะรับไม่มีใครจะรับผิดชอบบาปของคนอื่นหมาทถึงในวันเกีย้ยบ แต่ในโลกดุนยานี้ความผิดที่เราทำมันอาจจะส่งผลต่อคนอื่นอุลามาบอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนอื่นได้เห็นความผิดและไม่ปราบปรามเพราะการที่เห็นความผิดและไม่ปราบปรามถือว่าเป็นเป็นซึ่งมีฮะดีษจากนบีสุลต่นบบาน النبي ل العوا ل تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا تدعون فلا يستجاب لكم. اقطعوا ج h a y ي شيء تي شاب. จะปรา برام. จะห้าม في ش ي ่ مي شاب. مي شأنن. ถ้าพวกเจ้าไม่ทำแบบนี้ ถ้าอกเจ้าไม่ดํารงซึ่งความถูกต้องแล้วก็ไม่ปราบปรามความชั่วแล้วเนี่ยพวกเจ้าจะขอดุอส่าหเราจะไม่ตอบรับที่ไม่ตอบรับนี่เพราะอะไรเพราะมีคนทําบาปแล้วก็คนอื่นเขาเห็น<ม>เห็นก็ทําบาปนะมีปบบอบมือให้ว่างมีมีในใจอยากอยากอยากทำเหลือเกินอยากทำเหมค น, นเหลือเกินเรามีบอกว่าโอ้กูไม่เปลืองตัวหรอก ไม่ยุ่งอยไม่ยุ่งตัวใครตัวมันการที่การที่ปล่อยให้ความชั่วได้ปรากฏในสายตาของสังคมทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่มีไม่มีใครพูดไม่มีใครทําหน้าที่ในการปราบปรามแม้แต่น้อยนะแม้แต่ขั้นเดียวของการปราบปรามนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นบาปของสังคมทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่พวกเรา ต้องจดจำไว้โดยเฉพาะในสังคมบ้านเราในประเทศไทยเราอยู่ในสังคมที่ศีลธรรมของทุกศาสนานิอ่อนแอของทุกศาสนานิอ่อนแอคุณงามความดีไม่ค่อยมีใครไม่ค่อยมีใครเชิญชวนเรียกร้อง ความช่วเหนียูโโฆษณาเชิญชวนเพียบเลยหน้าที่ของเราถ้าเราอยู่ในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ทำยังไงพยายามให้ปรากฏความถูกต้องเราอยู่ในครอบครัวเล็กๆในครอบครัวนี่มีคนที่ในครอบครัวเขาไม่ทำความดีสมมติ สมมติมีคนหนึ่งเขาละมาดคนอื่นสมาชิกครอครอื่นไม่ละมาดขอให้คนที่ละมาดนี่อย่าละมานะละมาดคนเดียวนะเพรากูจะไปสวรรค์ใครอยากจะไปนรบเชิญเขาอาจจะไม่ได้พูดแบบนั้นนะนะแต่การที่เขานิ่งเฉยแล้วก็ไม่เคยเชิญชวนไม่เคยบอกไม่เคยอะไระมันมันโดยปริยายอ่ะมันอาจจะเข้าใจอย่างงั้นน่ะละมาดอยู่คนเดียว แล้วก็ไม่เคยเชิญชวนให้คนอื่นละหมาดด้วยก็หมายถึงว่ากูจะไปสวรรค์ใครจะไปนรกเชิญงั้ย น, นะขอให้มีการตักเตือนใฮ้ละหมาดกันเฮ้ยอัลลอฮ์เฮ้ยละหมาดกันะกนวะว่าละหมาดนะ ถ้าเปิดทีวีแล้วก็มีแม็กมีดูบอลนะนะโหเฮ้ยม่้บแล้วมบแมยเรียกมะโอ้เรียกทั้งซอยเลยทีละหมาดทีอาจารย์นะตัวคมันโอยดูเหมือนมันดูเหมือนมันเป็นอย่างนั้นความชั่วอ่าบางทีมีผู้หญิงคนหนึ่งคุมฮิจารหรือ ผู้ชายคนนึงแล้วก็้องสาวพี่สาวไม่คุมหิคใครตว่อใครอยากจะคุมก็เชิญใคอยากจะใอยากจะโดนเผานี่ลุกเชิญอะไรมามานั่นพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกต้องนสมมติเขาจะาว่าเขาบอกว่าเออเธออยากจะเผานะุนกเชิญมัน ม, มันก็ไม่ใช่นะมันพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะแต่ก็มันต้องมีการตัดเตือนพี่สาวถา๋าน้องสาวจา เราสัง่งนะฮีบับนะต้องมีข้อเตือนเนี่ยมันคือแสงสว่างที่จะเพิ่มบรารัคตในพื้นที่ในสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่เราอยู่ในสังคมใหญ่ในชุมชนในสังคมแบบเนี้ยทําได้ไหมถ้ามีโอกาสในการที่จะประกาศชุนยืน่นในสังคมได้รับรู้ความดีคืออะไ น, นี่ในทุกรูปแบบทุกรูปแบบ ในรูปแบบของการอ่านคุรอา่านอธิบายคุรอา่านขอให้มันปรากฏขอให้มันถูกเผยแพร่ในสังคมมันคือจุดประกายแห่งศิลธรรมที่จะทำให้สังคมเนี่ยมีเหตุผลที่อัลลอฮจะเมตตาต่อไปอัลลอฮจะประวิงโอกาสให้เตอร์ยังมียังมีคนกำลังตักเตือนอยู่แต่ถ้าไม่มีเลย วัดตะกูฟิตนละดุซีบันละี่เราวังนะฟินการลงโทษไม่ใช่เฉพาะคนที่ทำความชั่วนะไอคนนี้นิ่งๆ่งสารับท่านหนึ่งว่ามีอยู่เมืองเมืองหนึ่งอัลลอ์สั่งให้ลงโทษมาเลยก็บอกว่าโอ้อัลลในเมืองเนี่ยมีคนซาแล้วอยู่คนหนึ่งอัลลอ์บอกว่าเริ่มเริ่มลงโทษคนนี้คนแรกเลยเห็นความชั่วและ ไม่ใ้ไปพูดพูดเท่าที่พูดได้แต่ต้องพูดต้องทำว่านอันลอมชหดูหอยบอย่ากลัวอำนาจคนอื่นอย่ากลัวลงโทษของกฎหมายอย่ากลัวาการตํหนิของผู้คนแต่ต้องกลัวอะไรต้องกลัวาการลงโทษของอัลลอฮ์มากกว่าแค่นั้ละมูแล้วพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผูร้รุนแรงในการลงโทษต้องกลัวนี้มากกว่า و َ ا ذ ُْ ر ُ و إِذْ أَنْتُمْ ق َ ل ِ ي ل م ُ س ْ ت َ ض ع َ ف ُ و ن َ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ إ ي َ خ ت َ ف َ ف َ ك ُ م ُ النَّاسُ ف َ أ َ و َ ك ُ م ْ أ َ ي َّ د َ ك ُ م بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ ا ل ط ّ ي ب َ ا ت ِ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ل ك ت َ ع د م لَمْ ََ ن ا ت ب و َ ك ْ ك ج ا ء م ِ ي ج م ن ُ و ن َ ن َ ا ز ِ س ن َ ب ِ ا ل ْ ح و َّ ا ر ِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ م َ ن จะโชว์เฉี่วพวกเจ้าไปแล้วพระองค์ได้ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิงและได้ทรงสนับสนุนพวกเจ้าโดยการช่วยเหลือของพระองค์และได้ทรงประทานปัาเจียังชีพแก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณท่าน قتادة ابن درامة السدوسي ว่าอัลลอฮุ س า ح ا ن ه و ت ะ ا ل ى กลุ่มชนชาวอาหรับที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยไม่มีสัญญาณใดๆเลยที่เขาจะเจริญก้าวห น, น้าเป็นกลุ่มชนที่มีหลายเผ่าพัานธุ์ที่ทะเละบบกแววงกันมาโดย เราบอกให้กันถึงขั้นที่เผ่าสองเผานี่นะอย่างเช่นเอ่ออาฟสล้กับรูบยอาในเงี้ยเนี่ยสองเผาสองวันนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกันถ้าถ้าล่าไปถึงปู่ย่าตาย่นก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันสองเผานี้เนี่ยแต่ก่อนโน้นในอาหรับอาหรับเขาเร่ร่อนนะเขาไม่ได้เขไม่ได้พำนักอยู่ในเมืองทีเดียวเป็น เป็นเรื่องเป็นราวฝนตกที่ไหนนี่ ก, ก็อพยพที่กลางเต้นหน่อยเนี่ยก็เก็บเต้นแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นที่มีฝนตกมีหญ้เาเรือนบ่อเลี้ยงเอาสมมติก่าเผานี่เนี่ยอั l l a าให้แต่ไม่มีปัสุสัตว์ไม่มีแต่เผานี้เนี่ยแย่แย่ลงมากเผานี้เนี่ยยกทับเนี่ยไปปั้นเผานี้ซึ่งเป็นลูกวีลูกอ้องมันนะ่ะ ไปป้นเผ่านไปเอาประสุสัตของมันไปฆ่าไปคมขืนผู้หญิงอาลกอยู่กันอย่างนี้อยู่กันอย่างนี้จะเดินทางไปไหนแต่ไหนนี่นะเอาน้ํามาปัน้นก็ดินนิดนึงแล้วก็ปั้นเป็นเจวิตแล้วก็ปรา บ, บูชาถ้าอยู่ที่มดินานี่ก็เอาอิมพัลล์มาปันป้น เป็นรูปปัห้หิวแล้วฮะหิวแล้วเข้าไปกินไงเลิเกันก็แท้แต่ว่าไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าเผ่าพันธุ์อารับนี่จะจะมีอนาคตถ้าใครอยากจะได้มีบารมีก็ไปขอ ยืมอํานาจบารมีจากเปอร์เซียจะได้ไปเข็นฆ่าเผ่าอื่นที่เป็นลูกอี่ลูกน้องกันเองอนะ่ะเผ่าอื่นนะั่นะก็ไปขอบารมีจากโรมันที่เป็นศัตรู ก, กับเปอร์เซียนะก็จะได้ไปไปล้างเผ่าพันธุ์ลูกอีกลูกน้องกันเองไปฆ่ากันเองอยู่กันอย่างนี้มาโดยอจนกระทั่งอะไรต่างๆที่ล้อมข้าบสมุภอาราบเนี่ยเขาก็จะมองชาวอรับเนี่ย มองว่าเป็นเป็นคนเถื่อนเป็นคนที่ไม่มีค่าเป็นคนไร้ค่าเพราะซาฮาบานี่ไปพิชิตเปอร์เซียนะแม่ทัพนชื่อรุสตุมอะไรพวกคนณอะไรมาจากไหนทิลีซายคือเขาไม่เชื่ออะไรทิลีซายอนี่ยนะไอ้วันซื่อนนะ วันซื้อไม่เป็นพวกทาสรับใช้รับใช้มากราบมากราบไหว้เท้ากัระสัดของเขาอ่ะเดี๋ยวนี้จะมาพิชิตเมืองของเขาอ่ะชินธนาการไม่ได้ก็แต่บนุดิอาบัสดูซีบอกว่านี่คือนี่คือบุญคุณที่อัลลอฮฺสุบฮานาอวะดาละให้กุรอานเนีน่ยได้ได้ฟื้นฟูฉะนั้นเขาบอกว่า อาหรับเนี่ยอาหรับเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้อาหรับนี่ตกต่ำนะมันอยู่มันอยู่ในจีนน่ะปัจจัยที่จะทำให้อาหรับนี่ตกต่ำให้มันทะล็กกันให้มันกราบไหว้สตังให้มันกราบไหว้กิเลส ข, ของมัน น, ะน่นนะแต่คุรอรานเะนี่ยที่สามารถปรับ ตราบในอาหรับอียิต์มันในคุณอานนั่นนะเขาจะเอาชนะจีนของเขาได้ตราบในอรับไม่เอาไหนศาสนาอย่างที่เห็นกันชัดๆกาตานอิบนุดีอาบะสดูสดูสิเป็นเป็นเผ่าสดูส สดุดทีเนี่ยเราอาหรับพนันเขารู้เนี่ยรู้ในเช้าอาหรับเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นบุญคุณของอัลลวน์ล้วนๆที่พวกเราเนี่ยต้องคำานึงที่พระองค์ให้อารับกลุ่มชนเล็กน้อยที่ว่าประชากรน้อยมากแต่ในระยะในระยะเวลาเพียง ไม่ถ si so ึงสามสิบปีนะอาหรับสามารถล้มสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาณาจักรเปอร์เซียอาณาจักรโรมันไม่ถึงสามสิบปีเพราะอะไรอินอัตุมกัลิลุนมุสตะบะฟูนฟิลอารับขณะที่มุกดามีจํานวนน้อยเทียบแล้วประชากรเปอร์เซียประชากรโรมันประชากรมาดูซีที่บูชาไฟตอนนั้นนะโอ้ อย่าว่าแค่มาจยูซีน่ะนะกับพวกมุชริกินทั้งหลายนี่ก็ทั้งโลกเลคริสต์อ่ะอีกสีโลกหนึงละโลกตอกอนนั้นน่ะก็เนี่ยรอะไรรัสเซียกับอเมริกาคล้ายกันลองนึกภาพดิถ้ามีถ้ามีถ้ามีประเทศประเทศหนึ่งละล้มรัสเซียแล้วก็ล้มอเมริกา สมมตินะประเทศมาลีอย่างนี้ดินมะมาลีที่คือประเทศมาลีที่แอฟริกามีมีอะไรเลยอ่ามาลีเนี่ยประกาศสงครามกับบราซิลอยบทับไปไปแลกบูตินมามาเป็นเฉลยศึกเนี่ยคือตะกอนนุ่นน่ะคนชาวบ้านยิงเราในก็ฟังข่าวอย่างนี้นะอาหรับนะ ไปลากกิสรานีกษัตริย์ของเบอร์เซียนี่ไปลากมาเป็นเจ้าเล่สดะแล้วก็เฮริเกลีสกษัตริย์นั้นน่ะหนีอุตลุดเลยหนีไปเลยอยู่ไม่ได้อันนั้นมันทำได้ไงอ่ะชาวบ้านนี่เขารับข่าวกันอย่างนี้แต่เรื่องนี้เนี่ย อัลลอฮ์ได้เล่าได้บอกเรื่องนี้เนี่ยว่าวมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่สงครามมัตเตอรอุสกูรุต้องรกาฟูนอยััฟุมนนสกัพวกเจ้านี้กัว่าผู้คนจะชฉบเฉียวโฉเฉียวนี่มันเป็นพเป็นกริยาของนกในเวลาเวลามันบินแล้ว ของกินหนึงเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ละเอียดนะแปลละเอียดกพราอันนี้อันนี้คือตรงกับคําว่าขต่อตอ่รูอตอ้ต้องเฉียวด้วยนะไม่ใช่ว่ามีาหยิบเฉยอย่างนี้นะไม่คือเฉียวต้องเฉียวด้วยต้องเอาแบบเฉียวเลยชมเฉียวนี่คือนี่คือสิ่งที่เขากลัวอาหรับตะก่อนนุ่นน่ะกลัว แต่าหากว่าเดินทางไปเปอร์เซียไปคนเดียวเนี่ยเดีโดนอุม้มทําไมอ่ะคนคนดูถูกอาร์มแต่ไม่มีเราก็่ะหากว่าคนเปอร์เซียคนโรมันเนี่ยเดินทางไปที่ไหนเนี่ยคงไม่กล้าเขากลัวหนิเขาเมีเจ้านายเดี๋ยวเมีกองทัพของเขาไม่ใชเรื่องเล็กแต่ Allah سبحانه และ تعالى ได้ทรงให้พวกเจ้ามีที่พักพิง ที่พระปิ่งนี้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสถานที่ที่มั่นคงเพราะท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลิมไปยบจากมักกะไปมาดีนะมาดินะเนี่ยเป็นไม่ใช่เมืองที่มั่นคงกุรเรชคิดจะบุกมาดีนะครั้งหนึ่งนบีต้องต้องขุดสนามเพาะนะรอมาดินะ แล้วต้องเฝ้าอีกด้วยมาดีนะนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เมืองที่มันม่นคงที่แบบว่ า, อาพอท่านนาบีไปแล้วไมพ่พัดพัดพิงได้เนี่ยหมายถึงว่าอุลมามะก็อธิบายหมายถึงว่าแล้วก็แท้แต่เอ็มูญมาสุดูดหมายถึงว่าเป็นพื้นที่ ท, ที่มีคนช่วยเหลือกล่าวคือมุฮาจิริที่อยู่ที่มักกะจำนวนน้อยหลักสิบสิบ ที่ถูกคมเห็นถูกกดขี่ไปอยู่ที่มาดีนะพยพไปอยู่ที่มาดีนะแล้วก็มีอันซาร์อันซาร์ผู้สนับสนุนผู้ช่วยเลืท่านนบีรู้สึกรู้สึกมีมีอำนาจต่อเราแล้วท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมเล่าว่าอัลมุมมินก์ ق و ุบิอัลวาน่มุมมินนี่ยจะแข็งแรงด้วยพี่น้องของเขา ประโยชน์ของคำว่าจะมาความเป็นจะมาความเป็นกลุ่มบางทีเรารู้สึกอ่อนแอแต่ด้วยกำลังใจจากพี่น้องของเราเนี่ยเราจะได้พลังและด้วยกำลังใจที่ท่านนาบีได้จากชาวอังซอลท่านนาบีสามารถปกป้องศาสนาสามารถเผยแพร่ อ, พ อ, อิสลามโดยไ ม, ไม่ไม่กลัวใครละไม่กลัวใครละ พอรูอ่ะองซอร์องซอร์เขาบอกกับท่านเชีวิตของเราเอาชีวิตของเราทรัพย์สินของเราทั้งหมดอุทิศอุทิศเพื่ออิสลามยะตะกุมบินอัซรีและไปสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของพระองค์สนับสนุนด้วยการช่วยเหลืออยะตะกุมบินอัซรี คือถ้าจะใช้กิริยาคว่าอยัดกุลสนับสนุนพวกเจ้ามันก็อาจจะถูกแต่ถ้าไมอัลลอ์ว่าอยัดกุงและสนับสนุนพวกเจ้าด้วยการช่วยเหลือของเรานั่ินนินนันช่วยเหลืออายะ์ในร์มุฮัมมัดอัลล์บอกว่าอินัซุรุลลอฮยันซุรุกพวกเจ้า ช่วยเหลือเนาะอัลลอฮ์จะช่วยเหลือพวกเจ้าช่วยเหลือตรงนี้นี่ไว้ใช่ไมใ่ไหมวาอัลลอฮ์ต้องการความช่วยเหลือจากเราอะมาถึงว่าถ้าเราได้รับใช้ศาสนาของพระองค์อัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเพราะการสนับสนุนตรงนี้ที่อัลลอฮ์จะให้ชาวมุสลิมได้เห็นเนี่ยคือชัยชนะการสนับสนุนของอัลลอฮ์นี่มีมาตลอดแล้ว สนับสนุนให้มีเนบีมาหาเขาสนับสนุนให้มีคุรานี่สนับสนุนนั่นน่ะแต่นักเวลานั่นน่ะสนับสนุนที่เขาเห็นจะชัดเนี่ยมัสลิมก็คือใชชนะช่วยเหลือที่มันยิ่งใหญ่ช่วยเหลือที่ทาให้กลุ่มชนเล็กน้อยเนี่ยสามารถเอาชนะกองทัพใหญ่ของมักกะว่าเราจะกักกลุ่มมินอตตีบาที่ละลักกลุ่มเดชกรุได้ทรงประธานประเทศยังชีพ แก่พวกเจ้าจากสิ่งที่ดีๆทั้งหลายก็หมายถึงว่าการที่เข้าไปอยู่ที่มาดีนะเร า, าให้ได้มีบรารักาในเร่องประสูในเรื่องอกเกษตรทาให้ทำให้ชาวชาวอุสลิมเนี่ยอยู่ในสภาพที่บังคั้งรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่เขาเป็นชาวเป็นชาวกเกษตรอย่างย่ที่ ตําบลยะซาในคาบสมุทอารับที่เขาที่เขาปลูกข้าวสาลีแล้วก็ชาวอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับส่วนมากก็จะไปซื้อข้าวสาลีสัง่งสั่งข้าวสาลีเนี่ยจะกตำบลยะาเนี่ยเป็นภาคกลางของคาบสมุทรอารับมีคนหนึ่งที่เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในตําบลยะซาเนี่ย ได้สัญญาว่าจะฆ่านบีก็เตรียมตัวที่จะเข้าเ ม, มืองมจิน์ไปฆ่านบีแต่ก็ถูกจับถูกจับกลุมแล้วก็เขาไม่ได้บอกใครว่าจะทำอะไรแต่นบีบอกว่าตัวเองออกจากบ้านตัวเองจะได้มาฆ่าชัน ท่านนบีก็เลยผูกมัดเขาที่มสัสยิดผูกมันเขาที่มสัสยิดเนี่ยเป็นทัพย์เป็นเป็นเนชลยศึกเพราะเป็นศัตรูที่ตั้งใจมุ่งที่จะทําทําร้ายท่านนบีท่านนบีก็เลยเลือกที่จะไม่ประหารชีวิตเลือกที่จะให้เขาดูดูด้วยตัวเองผูกมัดที่มสัสยิด แล้วก็ให้ซาฮาบ้าเอาอาหารมาให้กินมาป้อนเขากระหูกสาวมื่อสินได้เป็นต้นนิมพ์พิรันใช่ไหมครับนี่ถูกไหอย่างเงี้ยเขาก็เห็นซาฮาบอาซาบ้าบิลลัลขึ้นบิลลัลนอาซาซาฮ้ามานะมานบีเป็นอิหม่ามเรียนกุฎอ่านซาฮาบ้าก็ฟังกุฎอ่านก็ฟังนบีนะเห็นเขาเห็นการขึ้นไหวด้วยสายตาของตัวเอง วันท no ี่สมท่านอบีบอกกับซาบะปล่อยตัวเ้าปล่อยตัวเขาเลือกคนคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้ผูุ้โสในอิฮเซในในตำบลที่เขาผูกเข้าซาลีนซูมามอิบเนอซาลซูมามอิบเนอซา นี่มึงก็ปล่อยเขาทำเป็นไงเขาก็ปล่อยแล้วอะ่ะเขาก็ออกไปแล้วก็ไปสามีอบอะอยากจะอาบน้ําก็ไปอาบน้ําแล้วก็ตักไปที่มสัสยิดและรับอิสลามชัดเจนไม่มีใครบังคับแต่สิ่งที่เขาเห็นด้วยสายตาแล้วบอกกับท่านนาบีบอกกับท่านนาบีและรัศดุลละห์ ต่อไปจากนี้ชาวมักกะจะไม่ลิ้มข้าวสาลีแม้แต่มาเล็ดเดียวจนกว่าท่านจะอนุญาตสามเดือนมักกะนิกะสั่งซื้อข้าวสาลีไม่ทรงให้ต้องเว้วไปขอบัต เปนบี hey, Muhammad อันดีดจนกระทั ani, na, ่งชาวมักกะรี ang, a, ่ทองส่งตัวแทนช่วงนั้นนะยังระหว่างทําสงครามระหว่ังมักกะกับมณีกับนบีนะส่งตัวแทนบอกว่าโอ้ Muhammad เราเป็นญาติพี่น้องกันและทีตอนล้อมนบีที่ที่มักกะสามปีนะจนกระทั่งนบีละซาบานะต้องต้องกินหญ้ากินใบไม้อชาวก็ะบอกว่าเราเป็นญาติพี่น้องกันได้โปรด ช่วยอนุมัตหน่อยสิซุมามะอิมเนอซานเนี่ยยอมที่จะขายเข้าซาลีนบีก็เลยอนุญาตวาระจะกุมมินับตีบัดด้วยการที่ท่านนบีดาว่าด้วยการที่คนอื่นนี่เขาเริ่มรู้จักอิสลามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ให้สิ่งดีงามปัจจัยย่างยีบทั้งหลายเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจขอท่านนบีซุลามะออ สิ vre, Iowa, ่งตอนนี้อยู่มาก้านี้เป็นยังไงนบีเป็นยังไงซอเ็นยัไงอะไรละวัลลคุมเดชกรุ่เพื่อพวกเจ้าเธอได้ขอบคุณนี่นี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องที่ผงพูดตอนแรกเนี่ยเราต้องมีการพยายามที่จะรู้คุณค่าความดีที่อัลอฮให้กรนพยายามอย่ามองข้าม อย่าทำอย่าทำความดีเฉยๆทำความดีเฉยละหมาดฝรดดูอย่า้ยไรู้ไหมว่าการนีอัลลอฮให้เราได้ละหมาดฝรดดูสักวัตูนคนอื่นเขาอยากจะกาบอยากจะซุดอสักครั้งึงแต่ก็ทาไม่ได้อัลลยังไม่ให้ การเรียลล์อ um ่ะแกนี ur, aan, ่แหละแกนี an, la, a, nah, an, ap, sak, ่แหละมามากราบฉันการที่ได้มีโอกาสมาละหมาดว่าแสดงว่าเราถูกคัดเลือกมาแล้วอ่ะถูกคัดถูกอนุมัติมาแล้วเนี่ยอย่าเฉยๆการที่ได้มีโอกาสอ่านอุษอานการที่ได้มีโอกาสสิกุลมาการที่ได้มีารละหมาดซุนนะการที่ทำอะไรความดีสักอย่างนั่นคือการอนุมัติจากอัลลอฮฺสุบฮานาเวลาไปเคี้ยวจากอัลลอฮฺเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่โอ้ยเงินเดือนได้มาเป็นแสนเราห้ำอยู่นี่แหละแต่ a l l ล h Allah ให้ละหมาดให้ทำไปบ้านหน้าเราไม่เคยขอบคุณ Allah ขอบคุณอ l l a ขอบคุณ Allah แล้วก็ขอความช่วยเหลือจาก a ล l a h อย่าง ส, สม่ำเสมอมิบีถึงสอนช่วงท้ายของละหมาด จะก่อนสารงานสารามกัได้อาม lahum ิ ع ن ي على ذكرك وشكرك و ح ุนี่งคุลองดนี่ไงนี่แตลังอ้บาดาลไม่ขออีกอยากทำเป็นเล็กขออีกขอสม่ำเสมอยังสม่ำเสมอยิ่งขอตอนท้ายเนี่ยจะได้ไม่ลืม ص س ل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم سلام عليكم ورحمة الله